ตอนนี้ไปคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์จัดอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพอ่อจะกล่าวสัมมนิยกรถาให้คณะัตธ า, ญญายายมได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในทางพระพุทธ ศ, ศาสนาพระพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในเกาะภูเก็ตแห่งนี้โดยมากก็ เรื่องสนใจเรื่องวัดวาศาสนาเพราะว่าศาสนานั้นก็คงจะหาเวลาการยากแต่โดยมากก็มีแต่ธรรมมาหาเรียนชีพธรรมมาค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่ที่จะยินพระสงฆ์แนวความคิดของพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ป่ารงพกภัยทีย่างหวงพ่อเนี่ยที่เป็นพระอยู่ในป่าดงพงภัยท่านมีความรู้สึกอย่างไรนะ อันนี้ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นให้แก่ทศาญาิโยมที่มานั่งฟังนะักที่นี่เนีถึงจะมีส่วนน้อยก็ควรจะอยากจะได้ให้ได้ยินได้ฟังในหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อมาในครั้งนี้ก็ได้โพสบก็ได้พูดว่างมีพระที่นั่นต่อของหลวงพ่อลงไปในที่ติดกับหลวงพอ่อคือคือพระเจ้าจุนสุธ ร, รมสุธรรมโมแล้วก็บท่านพระเจ้ามูลมีธรําเตา่า จกกังหวัดอุดรที่เป็นหมู่เพื่อนสาหกรรมพิษของหลวงพ่อเคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบรรดาศ์มาด้วยกันหลายปีแต่สหรับหลวงพ่อเองได้เข้าไปอยู่วัดป่าบรนตาศตั้งแต่ปี2510 12 น, นะแล้วก็ออกมาปี2525 25. แต่ท่านอาจารย์ดุทําเข้าไปอยู่ในระหว่างกลางแล้วก็ออกมาก่อนแต่ท่านพระอาจารย์บุญมี ท่านเข้าไปที่หลังท่านก็ออกมาที่หลังหลวงพ่อสรุปแล้วก็คือดยูด้วยกันที่นะวัดป่าบ้านตาดเป็นเวลานานพอสมควรรู้จกักมักคุณจากนั้นก็มีพระพี่ๆน้องๆเท่านจะว่าไปแล้วก็มีเยอะลูกศิษย์กองงหลวงตานะแต่เป็นพุ่นพุ่นน้องๆของหลวงพ่อแต่รุ่นพี่ของหลวงพ่อก็ไม่ไม่กี่งองค์เพราะเห็นว่าหลวงตามหาบัวท่านจะรับพะระพุ่นและพุ่นแรกๆนี่ท่านจะรับไม่มากนะ โดยมากสิบห้าสิบหกองทัานเองวันนั้นรุ่นหลวงพ่อเนี่ยกิเท่าแก่ชราลงมหายตายจากไปก็มีวันนั้นยังเหลืออยู่ไม่กี่องแต่ยังเหลือพวกลุ่นน้องๆที่เข้ามาเข้ามาทีหลังรู้วยจื่อวันล้มตาท่านรับเยอะทีหนึ่งและท่านรับมากทีเดียววันนั้นฝากลุ่นน้องๆของหลวงพ่อจึงมีมากนะอันนี้ก็คือการเป็นอุ่และความเป็นมาพวกสนนัทธาแย่โยมได้พูดถึงว่าเป็นลูกศิษย์ุูกหาขององค์หลวงตานะ แต่ตามมันจริงเราจะเป็นพระที่ทรงคงเส้นคงวา เ, เป็นลูกศิษย์ลูกหาจริงหรือไม่อันนี้ก็พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็เลยคิดเหมือนกันว่าเราจะเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงขององูตะลงตาหรือไม่เพราะลงตาเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้เกือ้อกูลหนุนสรรพสัตว์หรือว่าศรัทธาญาติโยมหรือ ว, ว่าพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศโดยมากมีแต่พระเมตตาจะมากอกลงตานะ ดังนั้นพวกเราทุกๆท่านได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าในวันนี้หลวงพ่อว่านะก็ได้มากพอสมควรเพ่อยังไม่คาดคิดเลยในขันธ์ศรัทธาญาติโยมจะได้ถวายจิตตุปัจมากถึงขนาดนี้หลวงพ่อคิดว่าเงินจิต ต, ตุปใจคราวนี้ที่ผู้จัดการธนาคารสาขาป่าตองของเราที่ท่านปรับขึ้นเบื้องแรกนะที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่าน่าจะ รักษาจิตานากเดิมของท่านอาว้ก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อวันหลวอก็เห็นด้วยนะในจะตุปัจญาถึงสองแสนขนาดที่ 200, สองแสนเจ็ดเศษนะและกุณที่ทํางานโรงพยาบาลนั่นก็บอกกับปารู้ว่าอยากจะได้เครื่องมือเครื่องวัดความดันในโรงพยาบาลราคาก็ประมาณสามหมืสามนะสามหมืสามขณะนี้มันมีปัจจัยมาแล้ว 200, สองแสนเจ็ดเศษอย่างที่พวกเราทอดพระปาในวันนี้ก็ยังเหลือเงินอยู่ น่ที่มีผู้ลงทะเกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยมาแล้วสองพันะยังเหลืออยู่สาม0มื่0ส0มหนึ่งพันหลวงพ่อกินว่าน่าจะหักจนตกใจนี่ละส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็ถวายเป็นสร้างเสนาสนะสง์วัดจวนพึ่งนะจำนวนที่เหลือมีเท่าไหร่ก็มอบถวายให้พระอาจารย์ดงและกับคณะกรรมการเสนาสนะสง์นี่ก็เป็นเกิดขึ้นมาใหม่ อย่างเสนาตนายัางขาดตัวปกป้องอยู่และก็พร้อมกันกับพวกเราก็ควรจะให้การ ส, สนับสนุนพุทธบริษัทสี่ควรจะสมควรจะให้การสนับสนุนเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของอาจารย์ดุลนะนเป็นของพุทธศาสนาเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของพุทธบริษัทสี่พวกเราเข้าไป อ, อ, อาจารย์ดุงก็ไม่ใช่่าเสคาถาเป่าเป็นถนนพผ์ทางกุฏิศาลาไม่ใช่อย่างนั้น ท่านบออาศัยจิตุปจัจจัยศรัทธาญาติโยมนี่แหละ เ, เก็บเล็กผสมน้อยอต่อน้ําบักทําของน้าําของส้วมบักต่อไปก็เป็นกุตติสาราขึ้นมาเป็นที่บําเพ็ญกุศลนนี้ก็คืออาศัยศรัทธาญาติโมยมอันนี้ก็คือเงินก้อนหนึ่งที่จะถวายท่านเพื่อบารุงเลือกสร้างเสนาชนะวัดโยนพึ่งเสนสำนักสงโยนพึ่งอาําเภอกระลอนของเรานี่แหละ แล้วก็พร้อมการก็โรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตของเราก็จาเป็นจะต้องมีเครื่องมือได้ใช้แต่ว่าท่านขอเพียงนิดหน่อยแต่ตามมิจิงหลงพ่อว่าชาติศาสนา อ, อ, อันนี้ก็คือชาติเพราะงั้นเด็กคื อ, คอช่วยชาติไม่ไม่ใช่ช่วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งใครเข้ามาวัดทั้งนะั้นช่วยโลกกบว่าได้ มาจากต่างประเทศต่างชาติมาก็เข้ามาก็ใช้เครื่องมือจะวัดเหมือนไงนวัดความดังวัด เ, เป็นอย่างไงของร่างกาย อ, อันนี้คือหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะมีชาติรับศาสนาด้วยศาสนาก็คือเราได้ประกอบพุทธศาสนาชาติก็คือเราได้ช่วยชาติก็คือได้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ดูแล สุขภา พ, พร่างกายของเพื่อนมนุษย์ชาติที่เข้าสู่โรงพยาบาลนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของหลงพ่อนะและแตถึงมั่นแด้วยว่าความคิดเห็นหลงพ่อเนะี่ยคิดว่าไม่ผิดนะที่ว่าจะถูกต้องในที่หลวงพ่อได้พูดออกไปจึงกล้าพูดในแสดงความคิดเห็นแก่สัตยาญาติโยมแต่เครื่องมือตัวนี้ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมากมายเมืนะ่อใดใช้เมื่อใดเครื่องมือตัวนี้มาแล้วนะ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะตุปัจจัยสัทธายาจงที่ได้ถวายในวันนี้ผภาพป่าในวันนี้และก็พร้อมกันบุญกุศลที่เกิดมาที่ในมาพวกเราได้ร่วมกันทําบุญในวันนี้นะะขอให้พวกเราตั้งจิตใจที่เป็นกุศลน้องจิตน้องใจอุทิศวนกุศลถึงบรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะการบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าจะว่าไปแล้วอย่างผู้จัดจา ก, การที่ท่านโพูดนะะั่นแหละทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําบุญเพื่อเมื่อทําบุญแล้วเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราเพรพวกเราไม่ไว้ใจในชีวิตของพวกเราอย่างที่พวกเราเห็นผ่านๆมาอย่างสินามิอย่างเนี้ยที่ใกล้ๆพวกเราเราเห็นแล้วเป็นยังไงก็อักกระวน ชีวิตของพวกเราเราก็คาดไม่ถึงอันนั้นคือกลุ่มใหญ่นะแต่กลุ่มย่อยก็คือพวกเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราที่ล้มหายตายจากพวกเราไปมากต่อมากนี่แหละทําไมเพราะพุทธาศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนจ้อแนะนําพวกเราท่านทางหลายเพราะพระพุทธเจ้าท่านทําไมท่านจึงออกไปบวช ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วผู้ทีเจ้าออกไปบวชมีความหมายมีความตื่นตระหนกหรือว่ามีความตกใจและมีความกลัวเป็นอย่างมากแต่สําหรับตัวท่านเองแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้คิดอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีองค์เดียวเป็นต้นคิดเป็นต้นาศาสนาต้นาศาสนาอันดับแรกพระพุทธเจ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองกรุงกบินลพันอายุยี่งิ9ปียังสมบูรณ์บริบูรณ์ ในร่างกายทุกส่วนจากนั้นท่านก็เห็นอะไรท่านจึงออกไปบวชเป็นเครื่องสะดุปใจของพระ อ, องค์ท่านก็คือเห็นคนแก่ในในพ้นพประวัติเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายในเมื่อเห็นทั้งสาอย่างท่านก็ว่าท่านจะต้องตายแน่นอนสักวันหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเพรา ะ, ะนั้นท่านจึงเกิดความสนทังเวทใจท่านจะไปคน้นฟ้าเหมือนกับพวกเรานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะจะทํำยังไงจึงทําให้ เราเดินเร็วได้เราจะมีเครื่องอะไรที่จะทุบทุนแรงให้เดินเร็วได้อันนี้พวกเราไประเด็นจิ้งทงวิทยาศาสตร์คือทํารถทราํานาทําเครื่องบินอะไรขึ้นมาทั้งในหลักของพุทศาสนาพุทธเจ้าทา่านจะเห็นความตายแล้ะท่านว่าเอ๊ะจะทํายังไงจึงไม่ตายอันนี้ก็คือจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายทํำยังไงจึงจะหลรอดพ้ดนจากความตายไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือจุดประกายแรกที่พุทธเจ้าท่านมองเห็นจากนั้นท่านก็ได้ หนีหลีกเล่นออกไปจากเวียงวังไปอยู่ในป่าถึง6ปีไปอยู่ในป่าจากนั้นท่านก็ได้ค้นคว้าตามลำพังพระองค์อยู่เป็นเวลาหกปีวันเดือนบอกเพนเป็นวันที่ประสบความสําเร็จในการค้นคว้าของพระองค์พระองค์ได้นั่งคัตมาทิถ่านหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่โคลนต้นโพ ท, ที่ประเทศอินเดียนะจากนั้นท่านก็ได้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นหนึ่งแล้วน้อมจิตระ ล, ลึกถึงชาติดอดีตอดีตชาติของพระองค์ต้ลึกถึงชาติองค์ว่าพระองค์เป็นมาจากอะไร อ, ะอย่างเมื่อพวกเรานึกน้อมจิตแล้วคิดถึงเมื่อวานเนี่เมื่อวานมีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมเดือนก่อนปีก่อนมีไหมเนี่ยอันนี้คืออดีตอันนี้พระพระองค์ท่านมีญาณรัตนพิเศษในการนั่งสมาธิในวันนั้น รลึถึงชาติคนหลังในข้ามภบข้ามชาติและรึกถึงชาติหลายชาติร้อยร้อยชาติพันชาติเนอ่ยจะนับกระนาหาประมาณไม่ได้ในยาณรัตนะของพระองค์พระองค์จึงบอกว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สุขเนีอันนี้ยืนยันได้ว่าในทางคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูขตายแล้วเกิดอีกแต่ชาติหน้ามีไหมวันพุ่งนี้มีไหมวันพุ่งนี้มีเพราะเรือนมีไหมมี กับที่ผ่านมาไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเราตายจากชาตินี้เราจะต้องเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ว่าจุกตูปะปาติยานในคืนนั้นท่านในาณในยา น, น, ยา น, นทัศนคสองอย่างอัญญานที่สามคืออาสาวกญจยาญาณญาณที่อย่างรู้ว่าทําไมใจดวงนี้จึงมาเกิดมันมีอะไรทําไมจึงวกวนเวียนเวียนตายเวียนเกิดเวียนวกวนเวียนในวัฏักสงสารประมาณไม่มีที่สิ้นสุด อันนี้คือพระพุทธองค์ท่านก่น็ได้พิจารณาทบทวนดูไตร่ตรองด้วยสติด้วยปัญญาของพระองค์ด้วยมรรคแปดให้กดทบทวนคือส ม, มาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาส ม, มาส ม, มาธิจากนั้นพระองค์เขารู้เลยว่าใจดวงนี้มีเชื้ออยู่ในใจมีเชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจของโผมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้พิจารณาทบทวนดูจะแก้ไขด้วยวิธีอย่างไร ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิอดอีกนี่แหละเพราะพระองค์ก็ได้ใช้มักแปะ เ, เป็นหลักถลุงหรือเผาเหรือมาต้องหุงเม็ดเมล็ดข้าวหรือพันนั้นให้กิเลสราคะโทสะโมหะให้เหือดแห้งจากไปแล้จากนั้นก็มีใจใจิตใจขององ์ก็บริสุทธิ์ขึ้นมาคล้ายๆบอกไม่มีสิ่งที่มารบกวนใจขององพระองค์จริง บอกขึ้นมาว่าตรัสขึ้นมาว่านิพพานังปรัมังสุขขังนิพพานเป็นสุอย่างยิ่งเขาว่านิพพานเป็นสูงิ่งไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนจิตใจอันใสบริสุทธินั้นเป็นธรรมทานเป็นเป็นธรรใจเป็นธรรมใจเป็นธรรมทานแล้วว่าจิตใจที่เป็นธรรมไม่มีสิ่งนใจที่จะมารบกวนอันแน่ว่านิพพานังปรัมังสุขขังนิพพานังปรัมังสุญย่าง ทำไมสุกแลมีสูนย์หศูนย์คือศูนย์เชือเอ้อเนีศูนย์เชื้อที่จะทําให้ อ, อกิเลสราคะโทสะโมหะจะพาให้วิญว่ายตายเกิดในวัฏจักรสงสารพระพุทธองค์ต้มหงุ่งถลุงแล้วเอจิตใจตรงนั้นหมดเชื้อแล้ว เ, เหมือนกับเรากระเทาะเม็ดเข้าเปลือกอย่างนั้นอ่ะอแกะเม็ดเข้าออกซะไปขัดซะมีแต่เม็ดเข้าสารจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะกิเลสเพรามันไม่มีเชือ้อหรือ พวกเราเอาไปถุงไปต้มซักอย่างเนี้ยเอาไปต้มให้มันสุกซักเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพอะไรก็เชื้อมันหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะพระเจ้าใช้จักรวิธคือศีลสมาธิปัญญาเผาถลุงผมต้องจิตใจของพระองค์จนจิตใจขององค์บริสุทธิ์อ่าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่มีเชือ้อท่านจึงกล่าวขึ้นว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรามังสูญยัพนิพพานสูญสูงเชือ้อเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนา อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเนี่ยคือถึงจุดจบมีจุดจบจนได้แต่ถ้าว่าพวกเราจะไม่ถึงจุดนั้นพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใช้กรรมใช้ผลของกรรมกรรมคือการกระทําเพราะนั้นพวกเรายังไม่ถึงจุดนั้นพวกเราจึงมีให้อีการให้ทานอย่างที่พวกเราได้ทําในวันนี้ อันดับแรกพวกเราเริ่มต้นตั้งแต่ไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็ราฐนาพระปริตะมงคลจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์การสวดพุทธมนตนะ์เนี่ยไม่ใช่สวดอ้อนวอนนะไม่ใช่บอกพระพุทธเจ้ามาช่วยข่ายอย่างนั้นพระธรรมมาช่วยข่ายหรือพระสงค์มาช่วยข่าไม่ใช่อันดับแรกเรากล่าวหนามม้าโบสถ์พ ร, พร้อมการการาบโมทสักพักเข้าวัดตัวร่างตัวดำมาดำพุทธตัก ข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าขอนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหัตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแคือกล่าวนอกน้อมต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาจากนั้นทุทธังธรรมังสามั ง, งสรณะนังคัจฉามิพวกข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าถ้าทำพระสงฆ์เป็นครั้งเนเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดูตียามปิพวกข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพถ้ารำพระสงฆ์ เป็นพังที่สองตาตียังเปินผู้ทางธรรมสำคัญสาสราะคชาณิพวกข้าพเจ้าข อ, อยึดข้อพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระสู่เป็นพั้งที่สามอันนี้ให้เข้าวาพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรพวกเราจึงได้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสราระเป็นที่พึ่งแต่พระพุทธเจ้าเออเป็นสร า, าระเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นอินทรพิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิ ช, ชาจราณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิถุ เขาพ่งได้เจ้าเป็นผู้ตัตรู้ชอบพวกพระองค์เองตัววิชาและจารนะคาว่าวิชาจาระเนี่ยวิชาคือความรู้จารนะคือความประพฤติพวกเราได้ยินได้ฟังว่า EQ IQ MQ อย่งเนียไอค q ก็คืออะไรคือความรู้ EQ คือความเร่อรอบขอ้อเอมคิ M q ก็คือความประพฤติดีอย่างเน้น นี่คือภาษาอังกฤษที่ที่เขาที่เขาพูดกันแต่ในหลักของพุทธศาสน า, ษาพุทธเจ้าตั้งมล้วสอ0พักว่าปีปัญชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติปัญชาคือความรู้นั้นคนที่มีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีความประพฤติดออีไม่มีมรญญารยาทอย่างนี้ก็อย่างยอมรับไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะความรู้นั้นสามารถที่จะทําความชั่วในหลายๆอย่างอย่างพวกเราที่เป็นทํางานธนาคารอย่างนี้ยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างถ้าว่ามีเรามีความรู้ทางธนการอย่าง น, น, นี้รู้ในการเงินแต่เราขาดจรยิยธรรมคือความประพฤติพอเห็นเงินเข้ามาแล้วอาจจะถูกหรือไม่ถูกพอจะเบียดบังได้ you, เบี White, ยดบังอย่างนี้อันนี้ก่อนว่าเราทํางานผิดบางอันไม่มีจรยิยธรรมอย่างตำรวจทหารที่ภ า, า, ากษ า, ายาการก็เหมือนกันถ้าว่าเรารู้กฎหมายแต่ว่าเราใช้กฎหมายในทางที่ผิดนั้นแต่ว่าขาดจริยธรรม อย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าพระสงฆ์อยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าออกนอกลู่นอกธทามออกนอกลู่นอกทางและไม่มีมารยาทเขาบอกพระสงฆ์นั้นขาดจริยธรรมเหมือนกันเพราะฉนั้นปริจริยจริยธรรมนั้นคือความประพฤติประวัติประพฤติดีปฏิบัติชอบแน้นอนวิชาผู้กับจรณะถ้าว่าพวกเรามีวิชาด้วยิจรณะด้วยคนนั้นจะเป็นผู้สมบูรณ์นนี้แหละคือหลักธรรมคำสสอนของปริญญา จากนั้นแต่วากาโตพระกวัฏตาทรโ ม, มทำผู้บีพุทธภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมีหลายระดับที่ พ, พุทธเจา้าสั่งสอนส่วนจุปฏิปโนโนพระกวัตโตสาวกัสังโภพระสงสาวกของพระพุทธเจา้าที่นําพระธรรมคําสั่งสอนมาเผยแผ่ขยายผลให้แก่พวกเราได้เรียนรู้ได้รับรู้ในพระธรรมคําสั่งสอนถ้ า, ากรกข่าสงไม่นำธรรมคําสั่งสอนมาเผยแผ่มาขยายผลพวกเราก็ไม่รู้ว่าพระธรรมจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อพัสดุพัสงําพระทร ม, มาเผยแผ่มาขยายผลมาแนะนําให้พวกเราเรียรู้ได้เข้าใจอันนั้นก็เป็นประโยชน์นะจากนั้นที่เราสวดพระปริญญามงคลลงไปนั้นท่านกล่าวเป็นข้อๆไปนะอย่างมงคลสามสิบแปดยันี้อย่างที่เราสวดมาผ่านมาแต่พวกชาติัาตายโยก็คงจะฟังแต่หลวงพ่อเนี่ยจะแปลเป็นเป็นคําเป็นคําออกมาได้ว่าอเซวนาจะบาลานางังบันดิตา น, นจะเซวนา ปูชาจะปูชนียนะเอตมังค์คารุตมังค์เนี่ยในที่สวดมาเนี่ยอเซวนาจะปลาลนังอย่าพบคนผ่านเนาะนะอย่ากพบคนผ่า น, านคนพ่านนั้นคืออะไรคือคนชั่วถ้าเราพบคนที่เป็นนักเลงหัวไม้อีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเรียนแบบนักเลงหัวไม้เหมือนกับเขาถ้าเขาเป็นนักเลงสุราเราไปพบกับเขาอีกสักวันหนึ่งเราก็ดื่มสุรากับเขาได้ถ้าหาว่า เขาเป็นนักเลนเล่นการพนันอีกสักวันหนึ่งเราก็ไปเล่นการพนัน ก, กับเขาได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจา้ารับอาเีวะนายาบาลานาอ ย, นะยากไปคบคนชั่วคือคนชั่วในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเป็นนักเลงพ่ น, นสะดงอย่างเนี้ยเป็นต้นนะอันนั้นก็คือนักเลนภายนอกนักเลนภายในก็คือใจของเราคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องคิดไปในทางที่ไม่ดี อันนั้นเรียกว่านักเรียนภาลชนภายในของเราให้ระวังอีกเหมือนกันเออภาลชนภายในในี่สัมพันธ์นั้นเป็นนะต้องหลีกเลียงให้ได้นะคิดในทางที่ไม่ดีเมืค่คิดไม่ดีแล้วพูดออกมาก็ไม่ดีถ้าโกธรมาเออโกดในทางที่ไม่ดีเอ่อ็สแสดงออกมาออกมาภานอกก็ไม่ดีแคเพราะนั้นเราอย่าพบ อ, อ, อย่าให้วิสาสะอย่าไปคบคนผ่าน บัณฑิตาเนจะเสวยวนาให้พวกบัณฑิตนักปราชัยเขาว่าบัณฑิตนักปราชัยคำนี้ในหลักของพระธศาสนาพราะพระเจ้าสินห้าเนี่ยคือบัณฑิตคือนักปราชสินแปดคือบัณฑิตนักปราชสินพระธรรมแปดหมนพันพระธรรมขันนั่นแหะคือบัณฑิตนักปราชให้พวกเราศึกษาให้พวกเราเข้าไปใกล้ให้พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ว่าบัณฑิตานั่นจะเสวยวนาให้พวกบัณฑิตนักปราชปูชาจะปูชนียานั้น ให้ครบคนบุคคลที่ควรครบให้บให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยคืออันดับแร ก, กคือพ่อแม่ของเราถ้าว่าพวกเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่ให้กําเนิดเเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นเราควรเคารพ บ, บิดามารดาของพวกเราเพราะท่านลิศดเลี้ยงดูเรามาแต่อ่นอนออกใครเป็นคนเลี้ยงดูเราเราคิดดูสมัยเราใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้บางคนก็มีลูกปีเต่าขึ้นมา เราเลี้ยงลูกเต่าของเราทุกอย่างขนาดไหนพ่อแม่เลี้ยงพวกเราก็ไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นการที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่หรือพ่อแม่อนุเคราะห์สงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกต่างกันนะหลูกพ่อเปียกเทียว่าเหมือนกับพ่อแม่สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ลูกเหมือนกับร่ายพายเรือตามลําน้ําตามน้ําไหลว่ากันแต่อย่างน้ําแม่ปิงจงน่านไม่น้ำโขงเนี่ย ภายเรือล่องไปน้ําเหมือนกันเน่ยน้ํามันก็ไหลยอยู่แล้วใช่ไหมเรือก็ยิ่งไหลไปอีกนี่แหละที่ว่าพ่อแม่เนี่ยสงเคราลูกด้วยน้ําใสใจจริงเร็วถึงขนาด น, นั้นอคือพ่อแม่ทราบข่าวว่าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยที่ตรงไหนพ่อแม่จะโหมไปทั้งตัวอด้วยความรักลูกของตนเองเนี่ยมีอะไรทุ่งเทให้สุดๆถึงจะไปเฝ้าทั้งวันทั้งคืนก็ยินยอมเพราะรักลูกของตนเอง อันนี้ก็คือพ่อแม่ให้น้ำนํำจิตน้ําใจแก่ลูกแต่พอลูกพวกเราพอพวกเราคิดดูให้ดีจะหนินแบบการที่จะสงเคราะอนุเคราะห์พ่ อ, อแม่จากพวกเรามีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าขึ้นมามีหลักฐานที่มาพ่อแม่แก่เท่าฉราเนี่โดยมากพวกเราจะสงเคราะห์ลูพ่อพ่อแม่นี่ยากนะเออเหมือนกับภายเรือโทนกระแสน้ําอย่างนั้นอ่ะภายเรือทวนกระแสน้ํำยังไงเ อ, อมันขึ้นมาทีละชา้าจ๋อง จ๋อมจ๋อมควรจะควรจะขึ้นไปนถึงถึงที่ได้นี่แหละอันนี้คือการสงฆ์ข้ออนุเคราะห์รูปอนุเคราะห์สงฆ์ข้ออนุเคราะห์พ่อแม่อย่างนั้นในพวกเราสังเกตดูกปแล้วกันเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยไอย้จูในโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยไปไหนไปเยี่ยมพ่อโอ้ยยังติดนู่นยังติดนี้ยังติดธรรมมาค้าขายังติ ด, ต ด, ต ด, ตดไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์แหมก็ยังว่าไปอีกจงหาโอกาสว่าจึงไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่สำหรับพ่อแม่แล้วไม่ได้เลือ ก, กวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าว่าลูกเด็กใครได้ป่ยวยแล้วโถมใส่เลยไปเลยให้ถึงที่เลยเนี่แหละพวกเราสิ่งเหล่านี้หลวพ่อเตือนพวกเราให้คิดนะว่าอปูชาจะปูชนียานังปูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพ่อแม่ของพวกเรานะเป็นอันดับแรกจากนั้นก็บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้จริยธรรมให้จริยธ ร, รรมแนะนําสั่งสอนในภาคปฏิบัติของพวกเรา แต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราสิ่งเหล่านี้ที่พวกพระสงฆ์ได้ ส, ส, สวด พ, พระปริตตะมงคล น, นั้นมีความหมายอย่างนี้อันนี้หลวงพ่อยกมาเพียงเพียงประเดิมนะสรุปแล้วก็คือไม่ได้อ้อนวอดไม่ได้ขอข้อรากหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเน่กรรมุณีนาวัตตีโลโกที่ควรบูชาคือพ่อแม่ของพวกเราเป็นอันแับแรกจากนั้นก็บูชา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้รใหจริยธรรมให้จริยธรรมแนะนำสั่งสอนในภาคปฏิบัติของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราสิ่งเหล่านี้อที่พวกพระสงฆ์ได้สวด พ, พระปริตตะมงคล น, นั้นมีความหมายอย่างนี้อันนี้หลวงพ่อยกมาเป็นเพียงประเดิมนะสนรุปแล้วก็คือไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ขอข้อรากหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า กรโมดีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจ้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ถ้าว่าเราทํากรรมดีแล้วกรรมดีนั่นจะตามสนองถ้าว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นก็จะตามสนองพวกเราเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าจะเปรียบเทียบศาสนานะเปรียบเทียบศาสนาพุทธศาสนาหรือเคล็ดศาสนาอย่างนี้อเคล็กดก็ดีพุทธก็ดีเคล็ดศาสนาเนี่ยคือพวกพุทธศาสนาก็คือว่ากรรมกรรม ถ้าจะเปรียบเทียบกบเหมือนกับพระเจ้าพระเจ้ากับกรรมเหมือนๆกันเพราะเาหตุไรกรรมคือการกระทำถ้าเราทําดีแล้วเอผลดีก็จะต้องตามสนองถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะต้องทักตามสนองถ้าจะว่าไปถ้าว่าเราทํากรรมชั่วแล้วพระเจ้าก็ไม่ประทานพรเหมือนกันเพราะเหตุไรถ้าประทานก็ประทานกรนกรมชั่วให้ประทานถึงที่ไม่ดีให้ถ้าเราทํากรรมดี พระเจ้ า, าก็ประทานสิ่งที่ดีให้ดังนั้นทั้งสองอยากก่างกรรมคือการกระทำํำกับผลแห่งกรรมนั่นก็คืออันเดียวกันเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ทําแต่กรรมดีสิ่งที่มันไม่ดีอยา่าทํำการการกระทําปัจจุบันกรรมอดีตกรรมปัจจุบันกรรมอานาคตรกรรมอนาคตกรรมคืออะไรหลวงพ่อเปรียบเทียบว่ออาอดีตกรรมอดีตกรรมเมื่อเราจับไฟก็ร้อนรู้ว่ามันร้อนมาแล้วในอดีต เ, เจ็บปวดเจ็บปวดยังไงการกระทำความไม่ดียังไงเราคิดถูกเจ็บเพรางั้นกันมีความทุกข์ปัจจุบั น, น, นกรรมเราจะอีกเราทําอีกมันก็เสียหายอยีกอนาคต ก, ก็เหมือนกันวันพรุ่งนี้ถ้าเราคิดไปทําอีกมันก็เสียหายอยีกเหมือนกับกจับไฟเมื่อวานร้อนไหมร้อนจากวันนี้ร้อนไหมร้อนจะจับวันอีกวันพรุ่งนี้ร้อนไหมร้อนนี่แหละกรรมชั่วเนี่ยเหมือนกับไฟสิ่งที่ไม่ดี จับเวลาไหนทําเวลาไหนไม่ดีท่านนะั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราคิดถูให้ดีอย่าทํากรรมที่ไม่ดีทํากรรมแต่กรรมดีเนีกรรมดีก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายได้ทําในวันนี้นะคือกรรมดีเนี่ให้ทานรักษาสีลคภาวณาทําไมพระพระในเจ้าจึงสอนให้ทานเพราะพระในเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ชาติที่อยู่ด้วยกันนะ่ะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่มีน้ำจิตน้ําใจต่อกันมีการไม่มีการเกื้อกู้เกื้อกู้อารีต่อกัน ไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันแล้วโลกจะอยู่ด้วยกันลําบากเรื่องพ่อแม่ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้หูมากระไรอยู่กับพว ก, พวกเราก็ไม่ได้ไม่เห็นไรพราอพวกเราไม่มีน้ําใจแต่ถ้าว่าพวกเรามีน้ําใจมีการเสรือเผื่อแผ่กันแล้วโลกอันนี้ก็น่าอยู่มีการมองการไขทุกข์ไขยากลําบากยังไงก็ช่วยเหลือเจืิญการกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้มีการให้ทานเนาะมีน้ําใจต่อกันเนาะโลกทั้งหลายจะร่มเย็นเนต็มสุขถ้าพวกท่านทั้งหลาย ไม่มีการเสียสละไม่มีการทำบุญทาทานแล้วโลกจะอยู่ด้วยกันไม่ได้น ะ, ะร้อนนะแตกนะสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเอาแต่ใจตัวเองนะไม่มีการสงข้อนุข้อกันพี่น้องก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะไม่มีการเอื Quit เอ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเพราะนั้นทุตในเจ้าท่านจึงสอนให้มีทานนะคือให้ทานให้กินมีการเสียสละเอาว่าเสียสละคำนี้ <your sins S 1> ไม่ใช่มีเท่าไหร่ให้ทั้งหมดไม่ใช่ แ บ, บ่งกินแบ่งอยู่แบบ่งใช้แบบ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้รู้จักแต่ไม่ท่าว่าใครก็ตามไม่มีการแ บ, บ่งปันเลยดังนั้นไม่ถูกต้องในสิ่งก็คื อ, คอรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษให้คิดถึงใจเขาเจเราอย่างปาณาติปาตาเวรมณีห้ามมาให้ฆ่าสัตว์ถ้าว่าเราไปฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องเขาเขาก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าเขามาฆ่าพ่อฆ่า แม่ค่าพี่ข้าน้องค้าลูกข่าหลานของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเรลานู้นในเจ้าจึงบัญญัติสิ่งมายาข่ากันนะั้นให้เคารพสิ่งึ่งกาลกันอาทิตยนาธานก็เหมือนกันสิ่งของเขาข อ, ของเขาเขกากลรักส์วนหัวแขนถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันการเมสุวิชัยจาราวร Theo, ีรมณีก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกเต้าของใค ร, ข ร, rise, เ, รเขาก็รักษงสมนห่วงแขนถ้าเราเป็นล่วหลานเขาเขาก็เสียใจ เขาเสียใจเพราะว่าเราไปล่วงล้างเขาล่วงล้างมาที่บันไดของเขาเองเพราะฉนั้นพระพุเจ้าจึงบัญญัติสึงข้อที่สมข้อที่สี่มุษาอย่าโกบกเขานะอย่าไปตุ้งตุนหลอกลวงเขานะถ้าว่าไปตุ้องตุนหลอกลวงเขาทรัพย์สมบัติเสียหายโกหกเขาอย่งนี้เขาเสียใจเพราะนั้นถ้าเขามาโกหกเรามาตุ้งตุนหลอกลวงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติข้อที่สี่สินข้อที่สี่ ข้อที่ห้าสุราเมรัยะมาชักประมาณการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทของพระเจ้าใช่ไหมคนับเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างห้อยไลเพก็คนขาดสติเนี่ยมันขาดสติแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ากินเหล้าเข้าไปต้องเมาเมาแล้วเป็นยังไงต้องขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วจะด่าใครก็ได้ใช่ไหมจะทําสิ่งไหนก็ได้ใช่ไหมจะทําความชั่วก็ได้ใช่ไหมใช่มันขาดสติเนี่ย เพราะนั้นเมื่อรู้แล้วว่ามันขาดสติเราจะไปกินทําไมเราจะไปดื่มทําไมเมื่อดื่มเข้ไปเราจะต้องขาดสตินะเพราะฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าจึงบัญญัติสินข้อที่5นะสินของพระพุทธเ จ, จ้ามีคุณค่าอย่างนี้ไใ้พวกเราคิดคิดและพิจรารณาดูไปแล้วกันนะคุณค่าของสิลของพระพุทธเ จ, จ้ามีคุณค่าจริงๆเว้นเสียแต่คนเห็นแก่ตัวนะคนเห็นแก่ตัวน่ะคนสายตาสั้นอนะ่ะเท่านั้นเองนะ่ะจึงไม่เห็นคุณค่าของสินถ้าว่าคนที่มองไกล มองเขามองเราเราต้องการความสุขคนอื่นก็มีต้องการความสุขอเนี่แหละมองเขามองเราแล้วใจเขาใจเราแล้วพวกเราจะรู้คุณค่าของสิ่งอย่างมากมหาศาลที่เดียวอันนี้ก็คือสิ่ส่วนสมาธิคือทําจิตใจให้สงบออพระพุทธเจ้าท่านให้สอนพวกเราว่าร่างกายของมนุษย์นี่นะร่างกายของพวกเรานะมีจุดจบนะอีกสักวันหนึ่งนะภาคหน้า อีกไมนานเอี่ยไม่ถึงร้อยปีเนี่ยแต่พวกเราถึงขนาด น, นี้อายุเท่าไหร่แล้วให้นับดูก็แล้วกันเนีอันนี้คือพวกในเจ้าที่ท่านสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตมีจุดจบถ้า ต, ตายแล้วไม่สูงเนี่ยพวกในเจ้าบอกงนะั้นอย่างที่ว่าภูเผยในวาส า, านุสติญาณลึกชาติผลลัพได้ไม่สูงท่านเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์กับใจของมนุษย์ร่างกายก็คือรถจิตใจก็คือคนขับรถ รถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่รถจะไปได้นั้นต้องอาศัยอาศัยคนขับถ้ามีคนถ้ามีต่คนขับไม่มีรถจิตใจนกับเหมือนกับจิตใจที่เลือดลอยไม่มีที่สิ่งที่เกาะเพราะนั้นรูปธรรมกงบนา ม, มาทําสองอย่างอาศัยกันอยู่เพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะในหละัะพยายามดูจิตดูใจของตนเอง และกระดูกายของตงนพยายามสั่งสมบุญกุศลให้มาก อ, อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้ในอนอนิสวรรหนึ่งมีจุด จ, ดจดบประงันครับให้ดูทั้งกายให้ดูทั้งใจด้วยนะดูทั้งกายดูทั้งใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าในหลักของภูมิศาสนาพระเจ้าเน้นหนักเรื่องใจมากกว่ารูปประทับรูปตังคือร่างกาย ส่วนน้ำมาทำนั้นเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีคนทักท้วงเลยถามขึ้นมาว่าใจนั่นก็คือสมองไม่ใช่เหรอใช่แต่ในหลักของพศาสนาพุทธเจ้าละเอียดไปกว่านั้นสมองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของของใจเหมือนกับเครื่องของคอมพิวเตอร์องเงยคอมพิวเตอร์ดยูตามลําพังถ้าไม่มีคนกดไม่มีคนใช้ไม่มีคนใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่ทำงาน แต่คนที่ใช่เนี่ยฉลาดพอไหมถ้าฉลาดพอก็สามารถที่จะกดคอมพิวเตอร์ใช้ในหลายๆอย่างแต่ถ้ า, าว่าคนไม่ฉลาดนะก็ใช้ได้เพียงนิดหน่อยในทัวนองอันนี้ก็เหมือนกันสมองของคนเราก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันบางคนก็ใจมีบุญวาสนาบารมีก็ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากมายทีเดียวไปนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพื่อให้ต่างสมบุญกุศลเอาไว้จะตั้งจิตใจพร้อมละมาดนี่แหละ ให้เก็บหอมรองริบเอาไว้คือสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งดีสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทำนะเพราะทแล้วจะมีจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพราะพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอากาักขรทุกขตังเส้ยโยปัญชาธรรปติทุกขตักตงกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังในวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวะความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยพอสมควรยาวพอสมควร นานทีปีหนหลบพ่อจะได้ลงมาพบสัทายญาติโยมลูกหลานก็เลยให้แนวความคิดเอาไว้ฝากเอาไว้เสียยืดยาวต่อไปคณะสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรเพื่อเป็นชลิมงคลต่อไป